4ี่้าพันษาของพระพุทธเจ้าพระนิพน์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆอริยนายก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 สุดตันตปิฎกหนึ่งอภิธรรมปิฎกหนึ่งฉบับพิมพ์ด้วยอักษรไทยเรียกว่าเป็นฉบับสยามรัฐบัตรนี้มีรวมกันสี่ห้าเล่มด้วยกำหนดเล่มเท่าเวลา45ปีของพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนี้ได้จานเป็นอักษรของ ม, มานานแต่มาพิมพ์ด้วยอักษรไทยเป็นเล่มครั้งแรกในรัชกาลที่ห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 พระไตรปิฎกนี้แหละเป็นตําราชั้นที่หนึ่งในพระพุทธศาสนาที่ตามตํานานว่าพระสงฆ์ในหลังกาได้ประชุมกันทําสังคายนานับเป็นครั้งที่หนับต่อจากที่สังคายนาในอินเดียและได้จารึกเป็นอักษรเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วได้400รปีเศษคัมภีอภิธรรมปิฎกนี้แปลกจากสองปิฎกข้างต้นเพราะว่าไม่มีนิทานคําว่านิทานนั้น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 ส่วนในอภิธรรมปีดกนี้ไม่มีนิทานเลยคือไม่มีกล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงปรารบใครตรัสแก่ใครที่ไหนเมื่อไรและโดยเฉพาะก็ไม่มีกล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้คือขึ้นต้นก็แสดงธรรมทีเดียวไม่มีเรื่องประกอบฉะนั้นจึงไม่อาจจะหาประวัติได้จากหนังสือที่เป็นตาราชั้นบาลีคือชั้นดั้งเดิม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 การที่สวดขึ้นพร้อมๆกันนี่แหละเรียกว่าสังคีติหรือสังขายนาแปลว่าขับขึ้นพร้อมๆกันโดยปกติก็ประชุมสวดเป็นการซักซ้อมกันเป็นการย่อยๆเพื่อไม่ให้ลืมแต่ว่าเมื่อนานๆเข้าก็ประชุมใหญ่กันสักทีหนึ่งเลือกเอาผู้ที่จำได้มากๆและเป็นที่นับถือกันว่าจำได้ถูกต้องแน่นอน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 แบบนี้แหละถูกก็สวดขึ้นพร้อมๆกันเป็นการวินิจฉัยว่าให้ถือเอาแบบนี้เป็นแบบเดียวเพื่อไม่ให้มีการกัดแย้งแตกต่างกันสวดซักซ้อมกันอังนี้ไปจนหมดแล้วก็เป็นที่ตกลงถือเอาแบบที่ตกลงกันนี้แหละเป็นหลักนี้แหละเรียกว่าสังขายนาที่ทํากันคราวหนึ่งคราวหนึ่งในสมัยที่ยังไม่จารึกลงเป็นตัวอักษร น, นั้นเป็นของจําเป็นอย่างยิ่ง นานๆก็ต้องมาเลือกเอาผู้ที่มีความทรงจําเป็นที่เคารพนับถือเป็นอาจารย์บอกกล่าวมารวมกันแล้วก็มาหารือตกลงกันคราวหนึ่งคราวหนึ่งและกระสวดจํากันเป็นแบบเดียวถ้าไม่เช่นนั้นก็จะเกิดความเลอะเลือนสับสนขัดแย้งกันนี่แหละท่านทํากันเรื่อยๆมาครั้งที่หนึ่งสองสมสมาจนถึงที่5จึงได้จารึก เป็นตััวอกษรคราวนี้เมื่อจารึกเป็นตัวอักษรแล้วความรู้สึกของพระว่าจะต้องจําก็น้อยลงเพราะว่ามีตัวหนังสือขึ้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ปรากฏว่าจะมีผู้ทรงจําได้ทั้งหมดฉบับที่จารึกไว้ในหลังกาที่กล่าวมานั้นก็ได้เป็นต้นฉบับซึ่งแพร่หลายไปยังประเทศต่างๆในบัดนี้ดังในปมา่าในไทยในโยุโรป ก็ได้ต้นฉบับมาจากแหล่งเดียวกันนี้การสังคยนาในครั้งหลังๆนั้นก็หมายความว่าเอาแบบมาสอบกันเท่านั้นไม่จะเป็นสังคยาแท้สังคยนาแท้นั้นมีในสมัยต้นก่อนแต่ที่จะได้เขียนเป็นอักษรดังที่ในพม่าทำสังคยนาที่เขานับของเขาเป็นครั้งที่6คือว่าเขานับในอินเดียครั้งที่หนึ่งสองสาม แล้วก็มานับครั้งที่ห้าที่จารึกเป็นตัวอักษรในหลังกาต่อเป็นครั้งที่สแล้วก็พระเจ้ามินดงให้เขียนลงในแผ่นศีลาทั้งหมดทั้งสามปิดกนี่เขานับเป็นครั้งที่หมาถึงคราวจำระคราวยีหพุทธศตรวรรษนี้เขานับเป็นครั้งที่6นี่ก็คือว่าเขาพิมพ์พระไตรปิฎกของเขาขึ้นใหม่นั่นเองเอาจาบับของยุโรปของไทยเป็นต้นไปสอบที่ปรากฏว่าผิดชัดๆเขาก็แก่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 และสร้างพระปฏิมาเป็นประธานอยู่ในโบสถ์ในวิหารขึ้นก็ตั้งธ ร, รมเนียมพระประชุมกันในโบสถ์วิหารเหมือนอย่างเป็นการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าคราวนี้เมื่อเข้าไปประชุมกันในโบสถ์วิหารแล้วจึงได้แต่งบทสันเสริญคุณพระรัตนตรัยขึ้นสวดดังบททำวัดเช้าทำวัดค่ำเป็นบทสดุ ด, ดีคุณพระรัตนตรยัยอย่างพุทธาพิทุติธรรมมาพิทุติ สังขาพิทุติคำว่าทุตินั้นเป็นบาลีถ้าเป็นสันสกฤตก็เป็นสตุดีจึงเท่ากับว่าพุทธาพิสตุดีธรรมาพิสตุดีสังขาพิสตุดีคือสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเดิมก็มีบทที่ตั้นแต่งไว้สำหรับสวดแต่เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯระเด้ส่งพระราชนิพนบททำวัดเชา้าทำวัดค่าขึ้นใหม่ ดังที่เราใช้สวดกันอยู่ทุกวันนี้โดยทั่วไปเรียกว่าทำวัดเท่ากับว่าไปทำวัดปฏิบัติพระพุทธเจ้าเป็นประจาวันด้วยการสวดมนต์สรนเสริญคุณพระรัตนตรยัยและเมื่อได้เข้าเฝ้าแล้วโดยปกติก็ได้ฟังธรรมของพระองค์ฉะนั้นจึงได้สวดมนต์ต่อก็คือสวดพระสูตรเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้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 จนถึงสมัยแต่งอัตตกถาประมาณว่าพระพุทธศาสนาล่วงมาขนาดพันปีจึงได้ปรากฏหลักฐานในคัมภีร์อัตตกถาที่แต่งในสมัยนั้นจึงได้ปรากฏหลักฐานในคมภีร์อัตตกถาที่แต่งในสมัยนั้นถึงเรื่องประวัติของอภิธรรมว่าพระพุทธเจ้าไปเทศอภิธรรมแด่พระพุทธมารดาที่ดาวดึงสปิภพและถ้อยคําในอัตตกรถาแสดงว่า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 คือไม้ที่ได้ตรัสรู้สัปดาห์ที่2ได้ประทับนั่งนักขวงไม้นิโครธคือควงไม้ ใ, มใสสัปดาห์ที่3ได้ประทับนั่งที่ควงไม้มุจ ล, ลินทะคือควงไม้จิกสัปดาห์ที่4ประทับนั่งที่ควงไม้ราชายาตนะคือควงไม้เกศสัปดาห์ที่5ได้ประทับนั่งที่ควงไม้ใสอีก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 วคำว่าเรือนแก้วนี้อาจารย์หนึ่งก็ว่าเป็นเรือนแก้วที่เป็นเทพเนื้รมิดอีกอาจารย์หนึ่งก็ว่าไม่ใช่เป็นเรือนแก้วเช่นนั้นแต่หมายถึงที่เป็น ท, ที่ทรงพิจารณาอภิธรรมรัตนคระคือเรือนแก้วนี้ก็เป็นมูลให้สร้างพระพุทธรูปมีเรือนแก้วเหมือนอย่างพระพุทธจินนราชที่จังหวัดพิษณุโลกมีเรือนแก้ว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 สัตตะแปลว่า7สัตตปรกรก็แปลว่าเจ็ดคำพีคำนี้ได้นํามาใช้เมื่อบางสุกุลประสบเจ้านายตั้งแต่หม่อมจเจ้าขึ้นไปคําว่าสดับปรกรณ์ก็มาจากคําว่าสัตตปรกรคือเจัมภีร์นี้เองแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงทั้งเจัมภีร์เว้นคัมภี์กถาวัตถุทรงแสดงแต่6คัมภีร์ส่วนคัมภีร์กถาวัตถุนั้น พระโมคคัลลีบุตรติดสัถระเป็นผู้แสดงในสมัยสังขยาครั้งที่สมแต่ว่าพระเถระก็ได้แสดงตามนัยยะที่พระพุทธเจ้าได้ส่งแสดงไว้ฉะนั้นจึงได้ครบเจ็ดปะกรณ์ในสมัยสังายนาครั้งที่สามนั้นและก็ถือว่าเป็นพระพุทธภาษิตทั้งหมดเพราะพระพุทธเจ้าได้ประทานนัยยะไว้ในตำนานนี้ได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้า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 นี่เป็นเรื่องที่ผูกขึ้นนานมาแล้วมาพิจารณาดูก็มีเขาอยู่บ้างเพราะว่าพม่านั้นนับถืออภิธรรมมากรามันก็เคร่งรัดในวินยัยส่วนฝ่ายไทยนั้นอยู่ในสถานกลางไม่ใคร่เคร่งวินัยนักและก็ไม่ย่อหย่อนอย่างพมา่าพอใจจะถือเอาเหตุผลซึ่งก็ส่งเคราะห์ ว, ว่าเป็นฝ่ายสุดตันตปิฎก